หมวดที่7ภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงเพราะไม่ต้องอาบัติ 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลาย ตัชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดี